อยู่กับพี่ลําบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบ้านรองแถมกับรถบีทรงไม่ดันกระเป๋าวองพี่ดีออแต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์อยู่กับพี่นะมันลาบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับ เติมเงินทองเันทองไม่กอ่อไม่หานะ้าน้าเธอบอกมันดูไม่ดีเธอชอบคนที่มันมีฐานะกูกาดจะไปเอาตังค์อยู่แล้วอยู่ดีเบอร์โทรมาหาเอ้ยกูไปดีกว่าเอ้ยกูไปดีกว่าตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจอากเติมอย่าไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ใม่วนอยู่เก่าๆเดิมๆให้นุ่มลุบหล่อทักบอดคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเธอบะเอร์มี น, าน่าต้องกีบต้องนูกต้องปลอยกนดีเด็ดไม่เปล อยู่กับพี่ลําบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบารลองดันากลุดบีสรงไม่ดันนะกระเป๋าก็พี่ดีหอแต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์อยู่กับพี่นะมันลาบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลําบากนะ หกโมงเชา้าพระมาพี่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนั่งชิวกับพี่กายแต่ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มพี่กายก็เบื่อถึงรักเก่านั่งตรงเตา อ, อยู่เมื่อคืนรักเรานี่แสนอาภั up, พเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินมือมืองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืเอ้ยลืมไปนี่ว่าต้องคืนตังค์พี่โน18มื่ใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังน้องไม่ชอบคนคาเลนแต่เธอบอกชอบคนเต้นละบํามบํา บาราบาราบัมบัมบัมบัมบัมบาราบารามบัมบัมน้องชอบพอดีมาบ้านด้วยกันมีแต่นี้ก่อนโตหนุนน้องคงนักตาน้องเพรต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่น้ำมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบ้านองดถมขับรถพี่ทรงไม่ด้านกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่น้ำมันลำบากนะหรือว่า ทนอยู่กับพี่ลําบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบ้านรองแถมก่ารถบีสซงไม่ดั น, นกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์ให้อยู่กับพี่นะมันลาบากนะหรือว่าน้องจะทน